ร้อยเจ็ดร้อยเจสิบก้าใช่ไหมบทสมวิธีข้อที่หกสิบนะครับพิสูจน์ูปใดซ่อนเองก็ดีให้ซ่อนก็ดีซึ่งบาดชีวอนนิสัยชนะผ้าปูนั่งกล่องเข็มหรือกระโทนเอวของพิสูจน์โดยที่สุดแม้มุ่งที่จะล้อเล่นต้องอาบาดัดปาจิตตีนะครับอันนี้นะ ไปซ่องบาจีวอนนิชทานะเอาผ้าภูนั่งมีชายด้วยนะครับกล่องเข็มจะมีเข็มไม่ไม่มีก็แล้วแต่นี่กล่องเข็มก็แล้วกันหรือว่าข้อเอลนะครับเอาไปซ่องเนี่ยอของพระไปซ่องนะด้วยความประสงค์เลยประสงค์จะกลั่นแก้งล้างแท้นก็ดีนะครับหรือว่าประสงค์แม้แต่ประสงค์จะร้อนแรงก็ดีนะไม่ได้ต้องแบบไปตีเท่านั้นนะครับอะไรหรเป็นเกิดใหม่ใส่รูปนัึ้นมา โอ้ทำไมผ้าตัวนี้ขี้บ่นะเลยมาเจออะไรไม่แน่บนเป็นบนเลยเลยอยากไปแก้เะะโอ้ยก็เลยแค น, นะครับก็เลยเอาเอาบานท่านไปซ่อมมาเลยนะครับหวงหาไม่เจอเลยนะหายไปนะครับ ห, นะหรือไม่ถึงขนาดจะแก้แคร์จะอะไรอย่างเงี้ยนะจะต้องการจะเล่าใหนสนุกสนานนะครับเ น, นี่ยใกล้เข้าไเรื่อยๆนะก็ไม่ได้นะต้องแบบปายตีมเลย แต่ถ้าอาบริหาคเนี่ยอื่นเนี่ยทองข้าไปซ่อมนะครับจะเป็นำบัทุกกดนะเอาย่างเอากดลายไปซ่อมใช่ไหมหน้าบัตรก็บางลงทุกกดนะครับแต่ถ้าเอาของสมมนเน้นไปซ่อมก็เป็นทุกกดทุกกรณีนะครับอผมว่าจะเล่าเรื่องฟังเลยนะเรื่องสนุกๆ น, นะครับเกี่ยเรื่องวินัยแหละนะไม่ใช่เรื่องอะไรนอกนะครับมีอะไรนะมันมีอยู่ครั้งหนึ่งนะครับ ผ้าจากรูปหนึ่งนะถ้าเป็นผู้ที่พูดแบบความผ่กสร้างยนะและยิ้มก็ไม่ค่อยเป็นของนะครับแต่ว่าโยมเขาก็เริ่มใส่ศรัทธาในปฏิปฏาทาธรรมเทศนาท่านใช่ไหมผิวว่าจางจะไม่ค่อยนั่นแต่ก็เนี่ยเทสดีอะไรปฏิบัติดีนะเขาก็เริ่มใสยท่านมีครั้งหนึ่งครับถ้าเรามีการจัด ง, งานปฏิบัติธรรมนะชาวบ้านอะไรก็ไปกันเยอะเลยครับงันน้นก็ไปปฏิบัติธรรมพ่อขาวแม่ขาวใช่ไหม พระปฏิบัติธรรมนะครับคระนั้นก็มีโยมอยู่คลุ่มหนึ่งนะ่าเกิดสัทธาจิตนะครับต้องกางนะรน้ำปาหน้าครับไปถวายผู้ปฏิบัติธรรมทั้งพระที่สู่สมเนะแล้วก็โยมที่มาปฏิบัติธรรมนะเขาก็เอารถไปเลยนะครับจําไม่ได้ว่ารถตังไงนะจะเป็นหกลอ้อหรือว่าสี่ล้อเอาเป็นหม้อเลยนะเขาไปนะ่ะไปถวายนะแต่น้ำปางหน้าของโยมนะมันเป็นนมองอุบัติเหตุครับ นะาป้น้าเขาเป็นอย่างนกันเลยครับพวกน้องพวโอมันตินเนี่ยนี่ยเป็นโอวันตินนะคือเป็นหมอนะโอวันตินเพราะเขาไม่รู้นะครับแต่ถ้าท่านรู้วินัยเนี่ยเขาก็เอาใจขวายนะรู้่านเขาก็หลุนพ่อนะท่านบอกว่ายงไงท่านถึงจำไม่ได้สึกจะออกไม้หรือเปล่าคือพูดบอกคนที่มาในงานก็ดีกว่าทำเลยนะท่านพูดแบบขว้างขวางจริงเลยนะครับบอกว่า อย่าไปกินของมันคนมันโู่นนะโอ้ยยองฟ้ามีช้ำใจเป็นจะตายนะครับก็เลยสตาเราอย่างแรงนะเออบึมโกหกนะครับเฮ้ยออกไปอย่างไวเลยนะแตไม่อยากตอบใหม่เลยครับบอกดีก็ไม่ได้ไม่ได้ผิดวินัยอะไรยังไงใช่ไหมครับท่านก็พูดตรงๆเลยนะมันเป็นคนอย่างนั้นเลครับอย่ไปกินของมัน คนมันน่อนใสเลยกอนครับเรามาดูต้นมันอย่าในสิีขาบนนี้นะว่ามาจากใครนะและ้วหกนึ่รอยเข้าเร่องพระสัตรัสสวคีครับคันนี้โดนแกล้งบ่อยนะเนี่ยโดยสมัยนั้นเพิ่งผ้าพาพุทธเจ้ามาท้มอยู่หน้าพระเชตวันอารางของนาสถานบิธิกาข้ามบดีเขตพันคองสา ม, สามัทถี ครั้งนั้นพษระสักรพรรดสมคีเป็นผู้ไม่เก็บงอมบริฐานนะเป็นเด็กนะครับางทีไม่ค่อยรักษาของหรอกเลยไม่เก็บงมบริฐานพระจัคีจึงซ่อนหมา บ, บ้านจีวัง้าของพระสัรพรรสคีเรพระจัสมคีจึงกราบขอร้องพระจักรว่าอาวุโสทั้งหลายขอท่านจงคืนบากให้แก่พวกผมดังนี้บ้านนะครับว่าขอท่านจงคืนจีวให้พวกผมบ้านดังนี้บ้าน ก็บาจิวเขาไปซ่อนใช่ไหมต้องการจะแกล้งสนุกๆนะครับเห็นเด็กไม่เก็บของใช่ไไปแกล้งเลยเ้าก็มาขอทวงคืนนะครับก็จะมัมคี่็าก <workout> ันห like so ัวล <nh> ้อนะครัไม่คืนให้นะหัวล้อสนุกครับตระสัตรสมคีร้องห้เด็กใช่ไหมก็ร้องไห้ทร่อยู่ทั้งหลายพานันหาว่าอบุโสทั้งหายพวกท่านร้องไห้ทมพระสัตรัะสมคีตอบว่าอุโสทั้งหลาย พวกกัจจกีเหล่านี้พากันซ่องบ่าบ้างจีวรบาบของพวกผมมรราศิลปิผู้ผมากน้อยสุดโดดนัก็แข่งสวิตเพีนาานยนพุทธนาว่าฉนัยกัจจกีที่นี่ซ่องบ่าบาจีวรบาบของมิทั้งหลายเล่าแล้วกล่าวเรื่องนั้นแต่คุณมาผ่านจ่ามนก็่าวว่าอันนี้ไม่ดีธรรมิสอย่างนี้ไม่ดีนะครับเราจะเป็นแกล้งก็ดีนะหรือจะผสมจยูห่หมูลอกก็ดีนี้ไม่ได้ครับเป็นพากั้ใช่ไหมมาทําอะไรอย่างนี้นะแต่ว่าถ้า เก็บงามบริขารี่เราเก็บไม่ดีนะครับด้วยคิดที่จะแสดงคาให้ฟังนะ้ก็จะเตือนจะบอกเขาว่าเป็นผ้าในน่ะเราควรเก็บบริขารีให้เรียบร้อยนะจะมาทิ้งและเก็บละกากเก็บอะไรเรื่อนๆนี้ไม่ได้นะครับเนี่ยเก็บไว้ให้เพื่อจะกล่าวสอนอย่างนั้นได้นะครับออแต่ว่าถ้าในสารานีจมทำท่านจะบอกให้นั้นพอเห็นพี่สุื่อเก็บบริขารเก็บของอะไรนี้ไม่ดีนะ แต่บอกให้ช่วยเก็บให้นะครับเหมือนกับเก็บบริขารตนเลยนะท่านเรียกว่าเมตตากายกรรมรอบหลังนะครับเาจะทาอะไรบ้างอะไรบ้างบี่ทีก็จะเผลอบ้างอะไรบ้างใช่ไหมก็ไปช่วยเก็บช่วยทำให้เมื่อเก็บบริาขารตนทำใจอย่างนั้นเลยนะครับอันนี้เรียกว่าเมตตากายกรรมรอบหลังนะครับมาเชื่ว่าใครมาทํานี้จะหาเรียนแรงงานองเ <laughs> นี้ยบนหนัไปทั่ววินาไม่ใช่นะครั นั่นไม่มีแล้วไม่โนไม่ตายกายกรรมวิธีกรรมนั้นนะไม่ได้ครับมันไม่ได้เป็นเหตุให้อยู่เป็นผาสุกนี้ถ้าผูุ้ซาเนี่ยทมันเป็นไอย่างไรใส่ใจดีนะเนี่ยแล้วไม่ต้องบ่นแล้วก็ทําเก็บไปเลยหรือว่ารู้ว่าใครแล้วก็ช่วยแนะนําช่วยบอกกันได้นะครับไม่ใช่มาอู้ามันจําบนอย่างนี้นาไม่ไหวแกเสียงบรรยากาศก็เดินช่องที อ, <c oughs> อันนี้เกี่กับโยในสโรว์โยนสิโยนสโรวแต่ละคนนะ แล้วเราศึกษาทำวิเนอร์บบมาดีศึกษามายเยอะน่ะเราก็จะรู้ว่าในคานี้มันควรทํำยังไงใช่ไหมครับ<ม>ก็ถ้าให้ใส่ใจอย่างนี้น่ะให้เก็บไว้นะได้คิดเหมือนกับว่าเป็บนบริขารตนเลยนะครับอย่างนี้ได้เนี<ม>่พผู้ถ่วงก็ทรงสอบถามนะครับทรงติเตียนแล้วก็มาหยิบสิขาตัวนี้ขึ้นมานะครับ<ม>คําคําอะไรนะคาที่ไม่เพาะใช่ไหมแม้สั ต, ตย์ที่ฉาดก็ยังไม่ชอบเลยน<ม>ในโค น, น, นที่วิสันเรารเรียนมาใช่ไหมครับ นะจะมีชุดไปในชะ่ไหมมาดูคำทคี่มาทางหานคนนี้มื่ยานนะในสมารัหน้าสองร้อสิบทาบทที่10นะครับอธิบายอัปปนิทานาสิขาบทเพิ่งสร้างวิทชาอิศาบทที่10ต่อไปคำว่าบาได้แก่บาพอใช้อธิษฐานได้ขนาดนี้นะไม่รู้ข้าวรองคนนี้ย่างไรตอนนีน้ข้าเอาข้าวสาลีมา ไม่ไม่รองเลยแกเข้าสารีมาถวายกันได้เลยทูสาวไปหามานะแล้วไม่รู้เลยว่าขนาดไหนกันแน่ในอมา้คำว่าจีวรได้แก่ผ้าที่พอใช้พิกับได้ของเรานขนาดนี้นะชื่อว่านี่ศีธนะได้แก่ผ้าที่มีชาที่เราใช้กันนะครับ ชื่อว่ากล่องเขมได้แก่กลองสำหรับใส่เข็มซึ่งจะมีเข็มหรือไม่มีก็ต่างนะครับชื่อว่าประคอดเอวได้แก่ประคดเอลสองชนิดคือแบบผ้าชนิดหนึ่งแบบไส้สุกรชนิดหนึ่งนะครับแบบไส้สุกรเนี่ยไส้หมูเป็นกลมๆใช่ไหมมันน่าจะเป็นกลมๆแล้วก็มีทองอยู่ข้างในหรือเปล่าหรือข้างในเข้ายัดอะไรเข้าไปข้างในนะยัดสำลียัดนุ่มหรือว่ายัดอะไรนุ่มนะครับ ถ้ามันไส้สุกรมต้องโกมันเหมือนไส้หมูใช่ไหมครับแล้วก็มาม่าที่แคมปนี้ไหมครับปล้วกไส้สุกรนี่สุเมียนไม่ใครเจอเหมือนกันใช่ไมครับประกอไส้สุกรไส้หมูครับประกอวเอลไส้หมูไม่ใคยเจอใช่ไหมไม่เข้าใจไส้ไอ้นี่ไงบัวเบี้ยกไอ้อะไรนะคนเอ ประคบนีป่ประคบนี่บวกเวียนจิ๋วเนี่ยอยู่ใต้ซ <c oughs> ุก <c oughs> <c oughs> เกะนั่นนะเล่นใต้เกะเขาไม่มีนะบวกเวียนจ <c oughs> ิ๋วอ่าข่าวคำนิยมในสมัยนี้ก็มีแต่เป็นแบบผ้าอันนี้นะคาว่าซ่อนคือนาไปเก็บไว้เก็บไว้คาว่าสาปเปโขคือต้องการจะเล่นสนุกสนาน ในขณะนี้นะคําว่าปางจิตตยังความว่าพิสุเมื่อซ่อนเองต้องบัตปางจิตย์เมื่อสั่งบุคคลอื่นต้องบัตทุกกดเพราะสั่งนะเมื่อผู้รับคําสั่งปฏิบัติตามแล้วพิสุผู้สั่งต้องอาบัตปางจิตย์เหตุเกิดได้ประเหตอาบัตินะสิขาบนนี้พระพภาธเจ้าทรงปลางลบพิสุพวกพิสุชปาปักกีในเมืองสามัคคี บัญญ <necessary. S 2> so, ัติเวล้วพราะเห็นคือการซ่อนบริขารของพิสูจนะครับเป็นสาธารณะบัญญัติพิสูีนนีก็มีนะครับสารติกะใช้คนอื่นเขเป็นใช่ไหมนะครับที่กาปาจิตตีเป็นของอุปสำบันนะครับเข้าใจสงสัยสัมพันธ์ผิดเอาไปซ่อนต้องอันตรนั้นนะครับซ่อนของอุปสัำบันเป็นติกะทุกกฎนะครับเว้นบานเป็นต้นมีประการต่างๆแล้ว เมื่อพิสูจน์ซ่อมบริการอื่นนะจะเป็นของอุปสรรคบันก็ตามของอุปสัรคบันก็ตามต้อบัตรผูกกาเหมือนกันนะครับถ้าบริการอื่นเป็นผูกเกาะอย่างเดียวนะครับอาาบัตนะครับพิสูุน์ม่ต้องอาบัตเมื่ช่วยเก็บบริการที่อื่นเก็บไว้ไม่ดีนี่ได้ให้มีใจอย่างเนี้นะถ้าใครเจริญอะไรสานิยธรรมนะสานิยธรรมแปลว่าอะไรครับ ที่เป็นเหตุให้ได้เลื่ถึรกนนันนะครับอยมางนี้นะก็ช่วยเก็บให้นะครับช่วยเก็บไว้ได้วยที่ว่าจะกลาสอนเว้ยมันหลายครั้งเกินไปแล้วไม่ไหวแล้วนะไรก็ไรเก็บที่ว่าจะสอนนะว่าท่านเป็นสมณะเนี่ยเราต้องดูแลคุณลิขาตให้ดีนะครับจะมาเก็บอะไรเที่ยววางเรียกนั่นไม่ได้นะต้องเก็บให้ดีนะครับก็ได้นะครับมันกิจจะแก่นนะ ในไปสู่บ้านเป็นต้นก็ไม่ต้องอ่านบันนะครับสิขาบทนี้มอีองสองเหล่านี้คือหนึ่งซ่องบ้านเป็นต้นนะนะคที่เป็นของอุปสำบันสองต้องการจะเบียดเบีย น, ย น, ยนหรือเล่งต้องการจะแกล้งแก้แคร์อะไรเขาย่อยเบียนเขาหรือต้องการเล่นสนุกนะครับก็ไม่ได้ซึ่งอุถามเป็นต้นเหมือนกับอธินานทานสิขาบทแรกอันนี้น่ายนะการจิต วาจาจิตกายวาจาจิตจบการที่บาปปฏิธินาสุขาบทจบสุปาปนวัที่หก